บุ๊กทูหกสิบสามเซสเดซิทีทรีการตั้งคำถามสองดิฉันมีงานอดิเรกยาอิมมัมฮอบบี้ดิฉันเล่นเทนนิส ยาอีกรําเทนนสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเดเยเทนนิสกีเทเรนคุณมีงานอดิเรกไหมอิมัชลิตีฮ็อบบดิฉันเล่นฟุตบอลยาอีกรําฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ กเดียฟุตบอลสกีเทเรนทีฉันเจ็บแขนบอลิเมรูกะที่ฉันเจ็บเท้าและมือด้วยนองอิรุกมทากโบลมีคุณหมออยู่ไหมคะกเดเซน่าลัซีด็อกเตอ ดิฉันมีรถยาอิมัมอัตโต้ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยยาอิมัมอิโมอตอร์ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะกเดเดย์พาร์คิงดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ยาอิมัมแจมเปอร์ ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยยาอิมัมตะโคเจยากน i อีจ n นส pantalone เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะกเกรเย้เวชมาชีนดิฉันมีจานยาอิมัมตานีรดิฉันมีมีดซ่อม และชอ้อนยาอิมัมน็อจบิลลูสกูอีคาชคูเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ desu โซอบเบ